พระนางผุดสดีตรัสว่าลูกเ อ, อย๋ยแม่อนุญาตให้ลูกการบวชของลูกจงสำเร็จส่วนแม่มัตสีผู้มีความงามตะโภกพึ่งพายเอลบางร่างน้อยจงอยู่กับลูกๆเถิดนางจะทำอะไรในป่าได้พระเวสสันดรตรัสว่าหม่อมฉันไม่พยายามจะนำแม้ซึ่งนางทาสีไปสู่ป่า โดยเขาไม่ปรารถนาะถ้าเขาปรารถนาก็ตามไปถ้าเขาไม่ปรารถนาก็จงอยู่พระาศาสดาตรัสว่าลำดับนั้นพระมหาราชาทรงคล้อยตามเพื่อทรงบิงวอนพระสุนิสาว่าแน่แม่มะซีผู้มีร่างกายอันชโลมจันทร์เจ้าอย่าได้ทรงทุลีละองเลย แม่มสัสสีเคยทรงผ้ากาสีอย่าได้ทรงผ้า ค, คากรองเลยการอยู่ในป่าเป็นความลำบากแน่แม่มสัสสีผู้มีลักษณะงามเจ้าอย่าไปเลยนะพระนางมาสัสสีราชบุตรีผู้งามทั่วพระอวรากายได้กราบทูลพระสัตรุณนั้นว่าความสุขอันใดจะพึงมีแก่กล้าวกระหม่อมชั้นโดยว่างเว้นพระเวสสันดร กล้าวกระหม่อมชั้นไม่พึงปรารถนาความสุขอันนั้นพระมหาราชาผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญได้ตรัสกับพระนางมัสีนั้นว่าเชิญฟังโกนแม่มสัสีสัตว์อันจะรบกวนยากที่จะอดทนได้มีอยู่ในป่าเป็นอันมากคือเหลือบตะกะแตนยุงและพึ่งพวกมันจะพึงเบียดเบียนเธอในป่านั้น ความทุกอย่างยิ่งนั้นจะพึงมีแก่เธอเธอจะต้องได้พบสัตว์ที่น่ากลัวอื่นๆซึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเช่นงูเหลือมเป็นสัตว์ไม่มีพิษแต่มันมีกำลังมากมันรัดมนุษย์หรือแม้เนื้อที่มาใกล้ๆด้วยลำตัวเอามาไว้ในขนดของมันเนื้อร้ายอย่างอื่นๆเช่นหมีมีขนดาคนที่มันพบเห็นแล้วหนีขึ้นต้นไม้ก็ไม่พน้น คายเปลี่ยวขิดเฟื้ออยู่เขาท่องคู่ปลายคมกริบเที่ยวอยู่ในถินน่นี้ใกล้ฝั่งแม่น้ำโสตุมพระแน่แม่มาศีเธอเปรียบเหมือนแม่โคโนมรักลูกเห็นฝูงเนื้อและโคถึกอันท่องเที่ยวอยู่ในป่าจากทำอย่างไรแน่แม่มาศีเธอได้เห็นฝูงลิงอันน่ากลัวที่ประจวบเข้าในหนทางที่เดินได้ยาก ความพรั่นพรึงจักมีแกเธอเพราะไม่รู้จักเขตเมื่อเธออยู่ในพระนครได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนย่อมสะดุ้งตกใจเนืองเนืองเธอไปถึงเขาวงกฎจักทาอย่างไรเมื่อฝูงนกพากันจับเจ้าในเวลาเที่ยงป่าใหญ่เหมือนส่งเสียงกระหึมเธอปรารถนาจะไปในป่าใหญ่นั้นทำไม พระนางมัตสีราชบุตรีผู้มีความสวยงามทั่วพระวรกายได้กราบทูลพระเจ้าสัญชัยนั้นว่าพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกสิ่งที่น่ากลัวอันมีอยู่ในป่าแก่กล้าวกระหม่อมชั้นกล้ากระหม่อมชั้นจักยอมทนต่อสู้สิ่งน่ากลัวทั้งปวงนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมชั้นจักไปแน่นอน กล่าวกระหม่อมชั้นจากแหวกต้นเป้งหญ้าคาหญ้าคมบางหญ้าแฝกหญ้าปลัง่งหญ้ามุงกระต่ายไปด้วยพระอุระกล่าวกระหม่อมชั้นจากไม่เป็นผู้อันพระเวสสันดร น, นำไปได้โดยยากอันว่ากุมารีย่อมได้สามีด้วยวัจจริยาเป็นอันมากคือด้วยการอดอาหารตรากตรำท้องด้วยการทุพตะโภคด้วยไม้คางโค ด้วยการอังไฟและด้วยการดำน้ำความเป็นไม้เป็นความเผดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมฉันจกไปแน่นอนชายใดจับมือหญิงไม้ผู้ไม่ปรารถนาฉุดคร่าไปชายนั้นเป็นผู้ไม่ควรบริโภคของที่เป็นเดนของหญิงไม้นั้นโดยแท้ความเป็นไม้เป็นความเผิดร้อนในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล่าวกระหม่อมชั้นจกไปแน่นอนชายอื่นให้ทุกมากมายไม่ใช่น้อยด้วยการจับผมและเตะทีบจนล้มลงที่พื้นดินแล้วไม่หลีกหนีความเป็นไม่เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล่าวกระหม่อมชั้นจกไปแน่นอน พวกเจ้าชู้ผู้ต้องการหญิงไม้ที่มีผิวพันุ์ผุดผ่องให้ของเล็กน้อยแล้วสำคัญตัวว่าเป็นผู้มีโชคดีย่อมฉุดคลาหญิงไม้ผู้ไม่ปรารถนาไปดังฝูงกากลุ่มรุมนกเขาแมวฉะนั้นความเป็นไม้เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล่าวกระหม่อมฉันจากไปแน่นอน อันว่าหญิงไม่ยแม้จะอยู่ในตระกูลญาติอันเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเครื่องทองจะไม่ได้รับคําติเตียนล่วงเกินจากพี่น้องและเพื่อนฝูงก็หาไม่ความเป็นไม่ยเป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมชั้นจากไปแน่นอนแม่น้ำไม่มีน้ำก็เปล่าดาย เว้นแคว้นไม่มีพระราชาก็เปล่าดายแม้หญิงเป็นไม้ก็เปล่าดายถึงแม้หญิงนั้นจะมีพี่น้องตั้งสิบคนความเป็นไม้เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมฉันจกไปแน่นอนอันว่าธงเป็นเครื่องหมายแห่งรถควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นสง่าของเวนแคว้น ภระสดาเป็นสง่าของหญิงความเป็นเม่ยเป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพเ ก, กล้ากระหม่อมชั้นจกไปแน่นอนหญิงจนผู้ทรงเกียรติย่อมร่วมสุขทุกข์ของสามีที่จนหญิงมั่งคั่งผู้ทรงเกียรติย่อมร่วมสุขทุกข์ของสามีที่มั่งคั่ง่วยเทพย่อมสรเสริญหญิงนั่นแหลเพราะเจ้าหล่อนทากิจที่ทาได้ยาก เกล้ากระหม่อมชั้นจักบวชติดตามพระสวามีไปทุกเมื่อแม้เมื่อแผ่นดินยังไม่แตกสลายความเป็นม่เป็นความเผ็ดร้อนของหญิงเกล้ากระหม่อมชั้นว่างเว้นพระเวสสันดรสะแล้วไม่พึงปรารถนาแม้แผ่นดินอันมีสาครเป็นขอบเขตทรงไว้ซึ่งเครื่องปลื้มใจเป็นอันมากปริบณ์ด้วยรัตนะต่าง เมื่อสามีตกทุกข right ์แล้วหญิงเหล่าใดย่อมหวังสุขเพื่อตนหญิงเหล่านั้นเลวซามหนอหัวใจของหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอเมื่อพระมหาราชาผู้พดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญเสด็จออกแล้วกล้าวกระหม่อมฉันจะขอติดตามพระองค์ไป เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงแก่กล้าวกระหม่อมชั้นพระมหาราชาได้ตรัสกับพระนางมัตสีผู้มีความงามทั่วพระวรากายว่าแน αι, แม่มัตสีผู้มีสุภลักษณ์พ่อชาลีและแม่กันหาชินาลูกรักทั้งสองของเธอนี้ยังเป็นเด็กเจ้าจงละไว้ไปเถิดพ่อจะรับเลี้ยงดูเด็กทั้งสองนั้นไว้เอง พระนางมัสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วพระวรกายได้กราบทูลพระเจ้าสรนชัยนั้นว่าเทวะพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองเป็นลูกรักของหม่อมชันลูกทั้งสองนั้นจากยังหัวใจของหม่อมชันทั้งสองผู้มีชีวิตอันเศร้าโศกให้รื่นรมในป่านั้น พระมหาราชาผู้ผดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญได้ตรัสกับพระนางมัตสีนั้นว่าเด็กทั้งสองเคยเสวยข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาดเมื่อต้องเสวยผลไม้จกทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยเสวยในถาดทองหนักร้อยปะละซึ่งเป็นของประจำราชสกุลเมื่อต้องเสวยในใบไม้จะทาอย่างไร เด็กทั้งสองเคยทรงภูษากาศีรัตภูษาโคมรัตและภูษากโกทุมภา ร, รัตเมื่อต้องทรงผ้าคากรองจักทําอย่างไรเด็กทั้งสองเคยเสด็จไปด้วยคานหามวอและรถเมื่อต้องเสด็จด้วยพระบาทจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยบรรทมในเรือนยอดมีบานหน้าต่างปิดสนิทไม่มีลม เมื่อต้องบัรทมที่โคนมย้ยจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรมอันปูลาดไว้อย่างวิจิตบนบัลลังเมื่อต้องบัรทมบนเครื่องลาดด้วยยาจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยรูปไร้ด้วยกลิศนาและจันหอมเมื่อต้องทรงละองทุลีจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยดำรงอยู่ในความสุข มีผู้พัดวีให้ด้วยแทดจามารีและหางนกยูงต้องถูกเหลือบและยุงกัดจกทาอย่างไรพระนางมัตสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วพระวรกายได้กราบทูลพระเจ้าสัรชัยนั้นว่าเทวะขอพระองค์อย่าได้ทรงปริเทวนาและอย่าได้ทรงเสียพระหฤทัยเลยหม่อมชั้นทั้งสองจกเป็นอย่างไร เด็กทั้งสองก็จักเป็นอย่างนั้นพระนางมสัสีผู้มีความงามทั่วพระวรกายครั้นกราบทูลคํานี้แล้วก็เสด็จหลีกไปพระนางผู้ทรงสุภลักษณ์ทรงพาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามทางที่พระเจ้าศรีวิราชเคยเสด็จลำดับนั้นพระเวสสันดรขติยราชครั้นพระราชทานทานแล้ว ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาและทรงกระทำประทักศิลแล้วเสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระชายาเสด็จไปสู่เขาวงกฏลำดับนั้นพระเวสสันดรขติยราชเสด็จเข้าไปที่หมู่ชนเป็นอันมากตรัสบอกลาว่า เราขอลาไปแล้วนะขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคเถิดเมื่อพระเวสสันดรเสด็จออกจากพระนครทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตรแม้ครั้งนั้นแผ่นดินอันมีขุนเขาสิเนรุและราวป่าเป็นเครื่องประดับก็วันไหวพระมหาสัตตร์ตรัสว่าเชิญดูเถิดพระนงมัสี พระราชนิเวศของพระเจ้าศรีวิราชผู้ประเสรศิฐนั่นพระราชมนเทียนอันเป็นของพระราชบิดาของเราย่อมปรากฏเป็นภาพที่น่ารื่นรมทีเดียวพระศาสดาตรัสว่าพรามทั้งหลายได้ตามพระเวสสันดร น, นั้นไปพวกเขาได้ทูลขอมากับพระองค์พระองค์อันพรามทั้งหลายทูลขอแล้ว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 ได้มาขอราชรถกับพระองค์พระองค์ทรงมอบรถให้แก่เขาและพระทัยของพระองค์ไม่ได้ย่อท้อเลยลําดับนั้นพระเวสสันดรขติราชให้ขนของพระองค์ลงแล้วทรงยินดีมอบรถม้าให้แก่พราหมณ์ผู้สแสวงหาทรัพย์พระมหาศัตตรก็ว่าแน่แม่มาสีเธอจงอุ้มกันหาชินาผู้เป็นน้องคงจะเบาวกว่า พี่จะอุ้มชาลีเพราะชาลีเป็นพี่คงจะหนักพระศาสดาตรัสว่าพระราชาทรงอุ้มพระโอรสส่วนพระราชบุตรีทรงอุ้มพระธิดาทรงยินดีร่วมกันดำเนินปรัดปาาใสด้วยคำอน่ารักกะกันและกันทานกันจบ